ในครั้งคนตะการท่านมุ่งต่อการถอดถอนกิเลตตัถ่ายเดียวหรือจะแยกเป็นเปอร์เซ็นต์นนก็เรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซนท่มุ่งปฏิบัติเพื่อความบุกพ้นในเรื่องขนรรมเนียมประเพณีบวชพอเป็นพิธีหรืออะไรอะไรอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีในครั้งนั้นต่อมาก็ค่อยเรือนลางค่อยจางไปเป็นธรรมดาการตังเทศใน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 ความเพลิ น, นทำในธรรมนีเป็นความเพลินที่แปลกประหลาดเพลินไม่อิ่มไม่พอแล้วเพลินนั้นไม่มีความเศ้าสศกเครื่อแฝงมาตามหลังเหมือนกับความเพลินในสิงทั้งหลายจิตใจถ้าฟังทางด้านปฏิบัติเข้าใจก็แสดงว่า